นะโมตัสสะพระครวตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้อย่าได้นำธรรมะ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 ตั้งแต่อโนปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่ในต่าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็ตั้งแต่ระดับเสมียนจนกระทั่งถึงขรจการท่านพิเศษเจ้ากลมถึงรัฐมนตรีนี่ก็สอสแสดงว่าธรรมะกำลังเฟื่องฟูหรือกำลังถูกฟืนอนเฟิ่อนฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่า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 ที่เรียกว่าท ร, รมากก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติและเป็นพื้นฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเรานี่มันก็แสดงความจริงใหปรากฏอยู่ตลอดเวลา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 เมื่อมีกายมีเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกเล่นกายไหลใจตาหูจมูกเล่นกายไหลใจบางครั้งพระพุทธเจ้าทรานก็ว่าอินซีหกบางทีก็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่บูหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ถ้ามุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินซีหก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 โรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูกลี่นผ่านเข้าทางจมกูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมาลมผ่านเข้ามาทางจิตใจสี่ในสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเรากำหนดตัวให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยกูรู้ ก็เจตใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมกายใจเป็นสภาวธรรมตาหูจมูกเล่นกายไหลใจก็เป็นสภาวธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายไหลใจก็เป็นสภาวะธรรมโดยที่สุดแม้แม่วาจผู้รู้ก็เป็นสภาวธรรมอีก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 ในเมื่อความโล้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตางหูจมูกเต้นกายได้ใจกายใจเป็นสภาวธรรมสิ่งที่กายรู้ใจรล้หรือสัมผัสโลภมันก็เป็นสภาวธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐ า, านได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตาม จะเป็นวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์นิติศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาอาวเรานึกวิตกเอาหัวข้อวิชาการที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมาลูมาก่อนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความัมพันกับชีวิตของเราอย่างไร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 จิตก็ได้ความสังเวชได้สำเร็จพระอาหารหันต์พระยับแดดนี่นะมีคำว่าธรรมะเจอป่อปนอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมาภาพอยากจะแก้ไขข้อข้องใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมาถากระบิปสนามีมีในต่างกันอย่างไรเมื่อตเกีนี่ก็ ได้ยินคำถามคำตอบในเทพคำว่าสมถาวิปัสนามีนะมีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถากวิปัสสนาต่างกันแต่พิธีการแต่จุดมุ่งหมายก็คือความสงบ ท่านจะสังเกตดูข้อเท็จจริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ก่อนการปฏิบัติสมถกรรมาฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งกระสินหรือนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง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 วิตกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะไปเมื่อสักครู่นี่เช่นอย่างเรียนวิชาอวิชาวิทยาศาสตร์มาก็นึกถึงหัวข้อวิทยาวิทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งคําถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรนึกมตอตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรต่อไปข้อไหนก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไป หรือเราจะนึกน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกขึ้นมาว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาใช้ความคิดว่าลู ป, ปังลูปไม่เทียงอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเกี่ยวกับเรื่องลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา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 เป็นประสบะการณ์ที่ได้ยินได้ฟังและเคยได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทาสมาธิฝึกสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เนี่ยจะดีที่สุด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 เราก็เอาเรื่องงานมาคิดทาสติคิดให้มันจดจ้องลงให้มันชัดๆัดเวลาทําทาสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทําสติอยู่กับสิ่งนั้นทําอะไรก็ทำสติกับสิ่งนั้นทําสติลูกเดียวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันในงานที่เราทาอยู่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 มีสมรรถภาพได้ยิ่งขึ้น